เรื่องประธานพรห้าอย่างแก่พระโสนะ259ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า 1. ภิกษุทั้งหลายอวันตีทักกินาบทมีภิกษุน้อยภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการอุปสมบทด้วยคณะมีจํานวนห้ารูปรวมทั้งพระวิไนทอนในปัจจันตะชนบททั้งหมดกําหนดเขตปัจจันตะชนบทและมัชชิมะชนบทบรรดาชนบทเหล่านั้นปัจจันตะชนบทกําหนดเขตไว้ดังนี้ทางทิศตะวันออกมีนิคมกัชังคละเป็นขอบเขต ถัดเข้ามาถึงมหาสาลนครพ้นเขตนั้นไปเป็นปัจจันตะชนบทด้านในเป็นมัชชิมะชนบททางทิศเหนือมีแม่น้าสารละวดีเป็นขอบเขตพ้นเขตนั้นออกไปเป็นปัจจันตะชนบทด้านในเป็นมัชชิมะชนบททางทิศใต้มีนิคมเสตกานนิกะเป็นขอบเขต พนนน้นเขตนั้นออกไปเป็นปัจจันตะชนบทด้านในเป็นมัชชิมะชนบททางทิศตะวันตกมีหมู่บ้านพราหมถูนะเป็นขอบเขตพ้นเขตนั้นออกไปเป็นปัจจันตะชนบทด้านในเป็นมัชชิมะชนบททางทิศอุดรมีภูเขาอุศีระทชะเป็นขอบเขตพ้นเขตนั้นออกไป เป็นปัจจันตะชนบทด้านในเป็นมัชิมะชนบทภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการอุปสมบทด้วยคณะสงฆ์ห้ารูปรวมทั้งพระวิันทอนได้ทั่วปัจจันตะชนบทดังกล่าวนี้ 2. ภิกษุทั้งหลายพื้นดินในอวันตีทักขีนาบทมีสีดำมากแข็ง มีรอยไรแหงกีบโคเราอนุญาตรงเท้าหลายชั้นในปัจจันตะชนบททั้งหมด 3. ภิกษุทั้งหลายพวกมนุษย์ในอวันตีทักทีนาบทนิยมการอาบน้ำถือว่ากน้ำจะทำให้สะอาดเราอนุญาตการอาบน้ำได้เป็นนิดในปัจจันตะชนบททั้งหมด 4. ภิกษุทั้งหลายในอวันตีทักคีนาบทมีหนังที่เป็นเครื่องลาดคือหนังแกะหนังแพะหนังมารุกะเหมือนกับที่มัชชิมะชนบทมีหญ้าตีนกาหญ้าหางนกยูงหญ้าหนวดแมวหญ้าหางช้างเราอนุญาตหนังที่เป็นเครื่องลาดคือหนังแกะหนังแพะและหนังมารุกะ ในปัจจันตะชนบททั้งหมด 5. ภิกษุทั้งหลายถ้าพวกมนุษย์ถวายจีวรฝากภิกษุทั้งหลายผู้อยู่นอกสีมาด้วยกล่าวว่าพวกเราขอฝากถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้เราอนุญาตให้ยินดีจีวรนั้นยังไม่นับราตรีตลอดเวลาที่ยังไม่ถึงมือ จัมะขันธกะที่ห้าจบ